เมื่อวานหลวงพ่อไปไปชุมที่วัดหลวงปู่เพียนแต่เมื่อวานน่ไปแจกงานแจกงานจำผู้ที่จะเป็นหัวหน้าผ น, นกแต่ละผ น, นกแจกงานกันก็เมื่อวานก็เรียบร้อยก็คงไม่มีปัญหาก็หลวงตาเนี่ยเป็นองค์ประธานแต่หลวงตาก็คงจะลงวางสิ้และเลิกไม่ได้ก็คงจะพระผู้ใหญ่ เบญผูนาไปวางศิลาฤกษ์ที่จะสร้างเจดีย์หลวงปู่เพียนวันที่ย0สิบเป็นวันงานวันสวดมนต์เย็นวันที่ยี่สบอวางศิลาฤกษ์จากนั้นเขาคงจะจบกันกงานเขาคงจะใหญ่พอสมควรเพราะว่านิมนต์หลวงตามาเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ส่วนหลวงตาจะมาได้หรือไม่นั้น ก็ยังทันกันอยู่กับสุดแท้แต่หลงตาจะดวกแต่เราก็ได้ประกาศออกอากาศไปทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วละะว่ะเพราะงานเจดียหลวงปู่เพียนกับเป็นงา น, นงานใหญ่จะต้องใช้กําลังทับพอสมควรกําลังความพร้อมเพียงสมรคีพอสมควรก็คงจะใช้การเงินพอสมควรเพราะนั้นจึงได้ประกาศ ลูกหลานศรัทธาญาติโยมลงมาลงขันกันนะไม่ใช่เลีอยไรยนะถ้าใครว่าเลีอยไรยอย่าไปทำํำถ้าว่าลงขันกันเจดี JD นี่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันต้องลงขันกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็เจดีจะสําเร็จได้แต่ถ้าว่าเลี่ยไรยเอามาแล้วเอาเข้ามาเข้าพกเข้าหอนะอันนั้นไม่ใช่อันนี้เป็น ลงขันกันเพื่อสร้างเจดีย์ก็รู้อยู่แล้วรู้จักกันแล้วสร้างเจดีย์ลงขันลงขันก็คือยังไงรวมกันคนละมากคนละน้อยรวมกันเพื่อสร้างเจดีย์แต่ว่าเรียออะไรกับลงขันใกล้ๆกันนั่นแหละแต่ถ้าไม่บอกละบ้านี้ต่างคนต่างเงียบเจดีย์หลวงปู่เพียงก็คงจะผูดผาดขึ้นมาพวกเราก็ลูกหลานทั้งหลายก็คงจะได้เสียเขาะจะดะน้ํากันเป็นแถบแถบราะงั้นเถอะคงจะได้เรียกหาขวันกันพอแรงนะ พลอยอะรพอเจดีมันขึ้นมาเองไม่ต้องได้พูดกันพูดกันจะว่าอย่างไรลงขันกันรวมพลังกันช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยทั้งกาลังคำพูดทั้งกาลังความคิดทั้งทุนทรัพย์ทั้งกาลังกายช่วยๆกันทุกเจดีก็เป็นอย่างนั้นะไม่มีเจดีไห น, นที่จะเสียคาถากระเป๋พูดพลาดขึ้นมาได้ ก็ต้องอาศัยความพร้อมเพียงสมบัคีของคณะชาติญาติโยมลูกหลานทุกคู่ทุกคนทุกลุ่ทุกนามอย่างนั้นก็ได้ลงขันกันเพื่อสร้างแต่คิดว่าการสร้างนั้นหลวงปู่บุญมีท่านก็ถามพะวันหลวงปู่บุญมีท่านนิมนต์ท่านมาเป็นประธานและขั้นตอนต่อไปทํำยังไงเมื่อวางเสี้ยวเลิกเสร็จแล้วก็คงจะสร้างเลยใช่ไหมก็ถามบอกว่า เดี๋ยวนี้แบบแปลนของเรายัางไม่มีชัดเจนอันดับแรกพวกเราก็ได้หารือกันว่าเราจะสร้างเจดีย์จุดไหนทีนี้ก็เมื่อลงปฏิกันแล้วถ้าเราจะสร้างตรงที่ประชุมเพลิงหลวงผูเพียนแล้วก็คงจะพระเนนอยู่วัดน้องกองที่ศาลามันก็อยู่อีก มุมหนึ่งคนที่จะมากราบเจดีย์พิพิธภัณฑ์ก็ผ่านศาลาผ่านโรงน้ําร้อนเข้ามาก็ทําให้พระเนรอยู่ในบริเวณนั้นไม่สับปะยะพูดง่ายๆไม่สับปะยะกับคู่คนพุ่นเพ่นพ่านบุญวายเพราะนั้นสมควรที่จะสร้างเจดีย์ที่สระน้ําทางเข้ามาคณะสงฆ์ก็เห็นพ้องต้องการคณะสัตยาธิโยามเป็นเอกฉันเห็นว่าสมควรจะสร้างที่สระน้ํา แล้วก็ค่าขอสร้างก็คงไม่เพิ่มมากเท่าไหร่เพิ่มแต่เสามันยาวขึ้นเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็คือลงมติกันในเมื่อลงมติกันแล้วก็จะวางซิ้นและเลิกแตนี้สถาปนิกผู้เขียนแบบผู้ออกแบบเขาก็จะต้องมาเขียนว่าจะสร้างเจดีย์ที่ตรงไหนเขาก็จะเขียนใส่ภูมิทัศน์ท้า เราจะสร้างบนยอดเขาเขาขดเขียนอีกแบบหนึ่งท่านเขาจะสร้างบนป่าดงพงไพ่ตึกก้อนหินหรือว่าสระน้ำนอันนี้สถาปนิกเขาก็จะต้องเขียนแบบอันนี้เป็นสถาปัตความคิดของสถาปัตสถาปัตยกรรมแล้วก็ดูภูมิทัศน์ด้วยว่าเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วจะเด่นยังไงเจดีนี้อันนี้ก็มันเป็นสถาปัต เดี๋ยวนี้สถาปัตต์ตัวนี้กำลังเขียนกันอยู่ในเมื่อเราวางเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เราก็จะเลือกแบบกันสถาปัตต์เขาจะเขียนออกมาให้เราดูคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนนทุกองเลือกกันเลยไงลงมติกันว่าเอาแบบไหนในเมื่อเลือกแบบได้แล้วเลยเอาแบบนี้ละเอาเจ้าของคนนี้ละเป็นคนเขียนก็ให้เขาเขียนรายละเอียดขึ้นมาอีกหรือว่ายังไม่ชอบใจ ควรจะเพิ่มจุดนั้นเพิ่มจุดนี้ก็ให้เขาเขียนขึ้นมาอีกพอเพิ่มต่อเติมขึ้นมาอีกจากนั้นก็เราจะหาวิศวกรเห็นอ่าวิศวะก็คือโครงสร้างว่าจะใช้เหล็กหินปูนทรายเท่าไหร่ค่าแรงเท่าไหร่จะทํางานกี่วันจึงจะเสร็จตัวคิดเป็นเงินออกมามันเป็นเงินอะไรได้เหนมันเป็น ค, คิดเป็นเงินเมืเ่อเป็นเงินออกมาแล้วเห็นก็รวมกันทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่เจดีนี้จากนั้นเมื่อเรา ได้แบบแปลนได้ถอดแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ประกาศหาผู้รับเหมาผู้รับเหมากับยื่นจองเข้ามายื่นมือเข้ามาหลายๆบริษัทจากนั้นเราก็เลือกบริษัทที่จะมาทําในเมื่อเลือกไปแล้วแล้วก็ต่องเป็นที่ยอมกันเป็นที่ยอมรับกันเป็นที่ตกลงกันทั้งผู้ว่าจ้างทั้งผู้รับจ้างจากนั้นก็เซ็นสัญญากัน พอเซ็นสัญญากันเสร็จเรียบร้อยเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลควบคุมงานการก่อสร้างต่อไปนี่แหละกับผมหลวงพ่อกับกาบเรียนหลวงปู่อย่างนั้นขั้นตอนในการที่จะสร้างเจดีย์หลวงปู่เพียนก็คงจะลักษณะอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวนี้ยังแบบแปลนยังไม่ออกมาแต่พวกเราทําวางสิลาเลิกไปก่อนรวบรวมจิตุ ป, ปัจัยก่อนเพราะจิตตุปัจจะต้องได้ใช้แน่ งานนี้ก็คงจะหลายล้านอยู่นี่แหละเมื่อวานก็ได้พูดกันหลวงปูป่ม่นมีเป็นประธานกับพระสงฆ์ก็มาร่วมกันหลายองค์แจก ง, งานกันนะวันที่ยี่สิบยี่ิบเอ็ดวางศิลาฤกษ์อย่างที่ว่า น, นั่ น, นะนการสร้างเจดีย์ของครูบายจารเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ใช่จะบรรจุแต่อัติธาตุหลวงปู่เพียนหรือบริขารของท่าน ข้างบนแล้วก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุธ า, า, าตุของพระทหารธาตุของพระแม่ครูบาอาจารย์บนยอดอีกเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ด้วนแล้วจะเป็นสิริเป็นมงคลเป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อไปในอนาคตนะเพราะเป็นที่บรรเป็นพระธาตุบรรจุพระธาตุบนยอดบนกลางหรือว่ายอดของพระเจดีย์นะอันนี้ใครลงขันด้วยเออเอา เป็นมูลเป็นกุศลพระธาตุพนมพระธาตุปถมนครปฐมนครศรีธรรมราชโอยสุเทพเชียงใหม่พวกเราภูมิใจไหมที่มีพระเจดีย์เหล่านั้นเป็นเอกลักษณ์ของของชาติก็ภูมิใจถ้าคนโบราณไม่สร้างเอาไว้พวกเราจะได้เจดีย์เหล่านั้นมาจากไหนก่อนที่เขาจะสร้าง เขาก็ต้องใช้ความคิดอย่างพวกเราท่านทางหลายในสร้างนี่แหละแนวความคิดต่างๆรวมผสมผสมประสานกันเพื่อสร้างพระเจดีย์เพื่อบัรทุพปรมสารีริกธาตุพระธาตุาาของพ่อแม่ครูบาอาจารยนะ์การจะสร้างอะไรก็ยากแต่ถึงยังไงสู้สร้างใจไม่ได้นะสร้างใจในสำคัญกว่าถ้าสร้างภายนอกมันสร้างได้มีเงินล้วก็สร้างได้ ส่วนสร้างใจนี่จะสร้างยังไงมีเงินก็สร้างไม่ได้สร้างใจถึงจะเป็นเศรษฐีก็ยิ่งพอกพูนกิเลสเข้าไปอีกยิ่งสร้างยากอีกสร้างใจนต้องปล่อยวางทั้งหมดให้ว่างปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละสร้างใจพพวกเราท่านทั้งหลายพยายามสร้างใจพยายามปล่อยวางถึงจะภายนอกเราก็ทาแต่ภายในใจจิตใจของเราลึกๆแล้วให้เราปล่อยวาง อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเนะ้อร่างกายสังขารมันไม่ใช่ของเราเนะ้ออีกสักวันหนึ่งตากแตกตายสลายแน่ในเมื่อร่างกายขนาดร่างกายเราก็ยังไม่ใช่ของเราพระเจดีก็ดีพระอารามก็ดีวัดวาศาสนาก็าดีตึกลานบ้านช่องก็ดี เ, เงินคำทรัพย์สมบัติก็ดีมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแหละให้ปล่อยวางนะใจเนะ้อให้รู้เนะ้อให้คิดไวเนะ้อใจเนะ้ออันนี้คือให้สอนใจตนเองนี่แหละ หนทางที่จะพ้นทุก์จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเนวัตะสงสารเนี่ต้องคิดลักษณะอย่างนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้คือหนทางที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดถ้าหาว่าวเห็นอะไรก็เอามันเอามันมีตะโลกโมโหโคธาอันนั้นแปลว่าผู้ที่จะอยู่ในโลกเป็นอนันตการรับพรอ น, อนโมทนาให้พร